เพื่อมาศึกษา พ, กษพระพธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะสอนให้เราพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุด คือขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเพราะการพัฒนาจิตใจนี้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นพัฒนาที่ถาวรคือจะไม่มีเสื่อมไม่มีวันหมดไปเหมือนกับการพัฒนาในรูปแบบอื่น เช่นการพัฒนาในลาบยศสรรเสริญในวัตถุเข้าของต่างๆในบุคคลต่างๆการพัฒนาแบบนี้เป็นการพัฒนาชั่วคราวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีวันที่จะต้องเสื่อมหมดไปลาบยศสรรเสริญสิ่งต่างๆที่เราได้รับได้หามา ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเสื่อมหมดไปแม้แต่ร่างกายของเราในที่สุดก็ต้องเสื่อมหมดไปเช่นเดียวกันแต่ใจของเรานี่ไม่มีวันเสื่อมไปกับสิ่งต่างๆทั้งหลายสิ่งใดที่เราได้สร้างให้กับใจสิ่งนั้นจะอยู่กับใจต่อไปสิ่งที่ใจจะสามารถพัฒนาขึ้นไป ให้สูงสุดก็คือระดับของภพชาติต่างๆที่การปฏิบัติตามคำสอนจะทำให้เราได้ก้าวขึ้นไปสูงขึ้นและสูงถึงขั้นสูงสุดและเมื่อถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหวดไปการพัฒนาทางจิตใจนี้ ก็แบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับที่ยังมีการเสื่อมอยู่และระดับที่ไม่มีการเสือ่อมระดับแรกๆนี้เป็นระดับที่ยังมีการเสือ่อมคือระดับของเทวดาและของพรหมรโลกการทำบุญทำทานการรักษาศีลจะทำให้เราจิตใจของเรา ได้ขึ้นไปสู่ชั้นของเทวโลกได้เป็นเทวดาเป็นเทพทิดาถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจมีฌานใจก็ก้าวสู่ขั้นเทวโลกทำสองขัน้นนี้การพัฒนาสองขัน้นนี้ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังอยู่คือยังมีวันที่จะเสื่อม หมดไปได้แต่ก็ยังเป็นการที่อยู่นานกว่าสิ่งที่เราพัฒนาทางร่างกายทางร่างกายนี้ก็ไม่เกิน 80-90 ปีก็หมดแต่การพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับเทพระดับพรหมนี้เป็นพันเป็นหมื่นปีกว่าที่จะเสริมลงมา พอเสื <Es> <an> e <economies> ่อมลงมาก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะทำบุญทำทานรักษาสีหม่มฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สมองใหม่พอตายไปก็ได้กลับคืนสู่เทวโลกสู่พรหมโลกใหม่แล้วก็อยู่เป็นหมื่นเป็นพันปีไปแล้วก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ นี่คือลักษณะของการพัฒนาจิตใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลก็จะไปสู่เทวโลกถ้าเพิ่มด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะขึ้นไปสู่พรหมโลกถ้าอยากจะก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นที่สูงกว่าชั้นพรหมโลกและจะไม่มีวันเสื่อมลงมา ก็ต้องพัฒนาอีกขั้นหนึ่งด้วยการเจริญปัญญาปัญญาก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูน้นี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูน้นี้จะพัฒนาจิตใจให้เ้าสู่ขั้นพระ อ, อริยสงสารุเข่าสู่ขั้นของพระโสดาบันพระสิกขพระสกิทาคาม พระอนาคามีพระอารหันต์ตามลำดับผู้ที่ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นต่างๆเหล่านี้แล้วจิตใจก็จะไม่เสื่อมลงมาจิตใจก็จะคงอยู่ในระดับนั้นแล้วก็รอาการพัฒนาให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงต่อไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดนี่คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนถาวรต้องพัฒนาด้วยความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสโลอะไรคือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสโลพระพุทธเจ้าทรงสัจสโลอริยสัจสีพระอริยสัจสี่ความจริงสีประการที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกๆคนทุกๆร่าน ใจของเรานี้มีอริยสัจ ส, สี่อยู่แต่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราถูกความหลงหลอกให้เราไปมองอ ย, าอย่างอื่นแทนที่จะมองอริยสัจ ส, สี่เรากลับไปมองร่างกายกลับไปมองลาบยศสระเสริกลับไปมองรูปเสียงกยลิ่นล้นโผฏภาเราจึงมองไม่เห็นความจริง ที่อยู่ในใจของเราความจริงที่อยู่ในใจคืออะไรก็คือความทุกใจนี่คืออริยสัจข้อที่หนที่เรามองไม่เห็นกันเวลาเราเกิดความทุกข์ใจเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากตัวเราเองเรากลับไปโทษคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ทำให้เราทุกข์ใจใครทําอะไรไม่ถูกใจเราเราก็ทุกใจ เราก็ไปพยายามแก้ที่เขาพยายามทําให้เขาทําให้ถูกใจเราทําอย่างไรเขาก็ไม่ยอมทําตามเราเราก็ทุกข์ใจไปเรื่อยๆเพราะว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่การกระทําของเขาแต่อยู่ที่เราไปยุ่งกับเขาเองไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธบ้างเสียใจบ้างนี่คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากของเราเองแต่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนสร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเราเองแทนที่เราจะมาหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจเราก็พยายามไปหยุดคนอื่น ระหยุดสามีระหยุดภรรยาระหยุดบุตรบุตรที่ดาสั่งเขาให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทําตามที่เราสั่งก็ร้องผมร้องห้าเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้มองที่ใจเราไม่ได้มองเห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจของเราว่าเกิดจากความอยากของเรา ถ้าเรามองกลับเข้ามาเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ในการดับความทุกข์ใจนี้ได้ในการหยุดความอยากนี้ได้นะก็คืออริยสัจข้อที่4คือมรมรแปลว่าทางเดินไปสู่ความดับทุกขนะ์เวลาเราเกิดความทุกข์เราต้องใช้มรดับเหมือนกับเวลาเกิดไฟไหม เราต้องใช้น้ำดับไม่ใช่ไปใช้สิ่งอย่างอื่นดับสิ่งอย่างอื่นดับไฟไม่ได้ต้องใช้น้ำฉันใดความทุกข์ใจของเราก็ต้องใช้มักมักคืออะไรมึมักก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ใช้ดับความทุกข์ภายในใจของพระพุทธเจ้ามาแล้วพระพุทธเจ้าดับความทุกข์ใจด้วยการมองเห็นความจริง ของสิ่งต่างๆที่เราไปหลงไปรักไปชอบไปโกรธไปเกลียดแล้วก็เกิดความอยากต่อสิ่งเหล่านั้นเห็นสิ่งที่เรารักก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเห็นสิ่งที่เราโกรธเราเกลียดก็อยากจะให้เขาหายไปเร็วๆแต่สิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้หายไปหรืออยู่ไปนานๆตามความอยากของเรา บางทีสิ่งที่เราอยากให้อยู่นา น, านอยู่ไม่นา น, านก็ตายไปก็มีสิ่งที่เราอยากให้หายไปเร็วๆตายไปเร็วๆกลับไม่ยอมตายกลับอยู่กับเราไปนานๆเพราะเราไม่สามารถไปสั่งเขาได้ไปห้ามเขาได้นี่คือปัญญาเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเขาไม่อยู่กับเรา เหมือนเดินไปตลอดเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปวันนี้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ดีได้พรุ่งนี้ไม่ดีเดี๋ยวมาเลนี้ก็กลับมาดีใหม่ได้มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มีวันที่จะหมดไปได้สักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ก็ต้องจากเราไปหมดถ้าเราไม่อยากให้เขาจากไปเราก็จะทุกข์ทุกข์เพราะเกิดจากความอยาก ไม่ให้เขาจากเราไปพอเราเห็นความจริงว่าอยากอย่างไรก็ห้ามเขาไม่ได้เขาต้องจากเราไปอย่างแน่นอนพอเรายอมรับความจริงไม่ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเวลาเขาจากไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่แหละคือมัคเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการดับความทุกข์ใจ ดับด้วยการให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้เสมอไปบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้เวลาสั่งไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อยากไปสั่งปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาคนนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ บางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้อย่างลูกเหล่านี้ตอนเด็กๆสั่งได้ว่านอนสอนง่ายสั่งให้กินสั่งให้ดื่มสั่งให้นอนนี้เชื่อฟังแต่พอเขาโตขึ้นเขาเริ่มมีความสามารถที่จะทำอะไรของเขาเองได้เขาก็จะไม่รับคําสั่งจากเราเขาจะรับคําสั่งจากใจเขาจากความอยากของเขา เขาอยากจะดูทีวีแต่พ่อบอกว่าอย่าดูเขาก็จะดูะจะไปทำยังไงถ้าปิดทีวีเขาก็ไปเปิดใหม่เราก็จะทุกไปกับเขาถ้าเราต้องการจะสั่งให้เขาทาตามที่เราสั่งถ้าเรารู้ว่าเด็กคนนี้สั่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของเขาก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะทำอะไรก็สุดแท้แต่เขา เราสอนเขาแล้วเราบอกเขาแล้วถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราไปทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายกับตัวเขาก็เป็นความทุกข์ของเขาและเขาก็จะได้เรียนเรียนรู้ว่าการเชื่อฟังคำสั่งของเรานี้มีคุณมีประโยชน์การไม่เชื่อฟังคำสั่งของเราเป็นโทษกับเขาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทุกข์กับเขาเกินขอบเขต เราสอนเขาบอกเขาเรื่องที่ดีสอนให้เขาทำเรื่องที่ไม่ดีบอกให้เขาอย่าทำถ้าเขาไม่เชื่อเขาต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเดี๋ยวเขาไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมาเกิดโทษกับตัวเขาขึ้นมาเขาก็เขาก็จะเรียนรู้เองต่อไปเขาจะได้จำได้ไม่เข็ดถ้าเขาฟังอย่างเดียวนี้เขาไม่เชื่อ เหมือนเราก็เหมือนกันสมัยเราเป็นเด็กๆใครบอกให้ทำอะไรบางทีเราไม่เชื่อเราต้องไปทำเองถึงจะรู้เช่นบอกอย่าไปเล่นกับไฟพอไปเล่นกับไฟถึงจะรู้ว่าอ๋อไฟมันร้อนพลาดไปก็เจ็บตัวอย่าไปมีแฟนก็เหมือนกันพอไปมีแฟนเดี๋ยวเลิกกันก็เจ็บใจเสียใจถ้าไม่มีแฟนก็ไม่ต้องมาเสียใจ ไม่ต้องมาทุกข์ใจไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของแฟนแฟนจะไปอยู่กับใครไปคุยกับใครไปทําอะไรกับใครเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีแฟนนะเราก็อยากจะให้เขาเป็นของเราเป็นคนเดียวห้ามไม่ให้เขาไปทําอะไรต่างๆแต่เขาก็ยังมีความอยากที่จะทํำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เขาก็จะไปทําตามเรื่องของเขา ทำต่อหน้าเราไม่ได้เขาก็แอบไปทำลับหลังเราพอวันหลังเรามารู้เข้าทีหลังเราก็เสีย อ, อกเสียใจนี่แหละเป็นเรื่องของที่พวกเราไม่เข้าใจกันแทนที่จะมาแก้ความไม่สบายใจที่ใจของเราเรากลับพยายามไปแก้ความไม่สบายใจกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆยังไม่มีวันแก้ได้จบ เพราะว่ามันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นก็ทุกข์ใจพราไม่เห็นว่าเราสั่งเขาไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราเราก็สั่งไม่ได้ตลอดเวลาตอนนี้พอสั่งได้สั่งให้มาวัดก็มาสั่งให้ไปทําอะไรก็ทํา เดี๋ยวต่อไปเวลาแก่สั่งให้ทาก็ทำไม่ได้สั่งให้ไปวิ่งก็วิ่งไม่ไหวสั่งให้ไปตลกลงกระโดดเล่โลดเต้นทำอะไรต่างๆที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำได้เวลาแก่ก็ทำไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็สั่งไม่ได้ถึงเวลานั้นจะเจ็บก็เจ็บขึ้นมาสั่งให้มันไม่ตายก็สั่งไม่ได้ถึงเวลามันจะตายมันก็จะตาย แต่ถ้าเรารู้ว่าความไม่สบายใจความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากไปสั่งเขาเท่านั้นเองถ้าเราหยุดความอยากไปสั่งเขาได้เราก็จะไม่ทุกข์ไปกับเขาเขาจะแก่ก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะเจ็บก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะตายก็เป็นเรื่องของเขาการที่เราจะไม่สั่งเขาได้เราต้องมีอะไรที่ดีกว่าเขา ตอนนี้เราไม่มีอะไรเราเลยต้องอาศัยเขาถ้าเราสมมติว่าเรามีแฟนเราก็ต้องอาศัยแฟนแต่ถ้าเราได้แฟนใหม่ที่ดีที่ดีกว่าแฟนเก่าเราก็ทิ้งแฟนเก่าได้ร่างกายของเรานี่ก็เป็นแฟนเก่าถ้าเราหาแฟนใหม่มาแทนแฟนเก่าได้เราต่อไปก็ทิ้งแฟนเก่าได้แฟนใหม่ของเราคืออะไรก็คือการทำ บุญให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติตามคำสอนของพรอพระเจ้านี่พอจะทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจในใจที่ความสุขที่เกิดจากการทำบุญเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากร่างกาย พอเรามีความสุขที่ดีกว่าเราก็ทิ้งร่างกายได้ปล่อยร่างกายได้ไม่ต้องอาศัยร่างกายเราไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพาเราไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรต่างๆเพราะความสุขที่เราได้จากการทาบุญรักษาศีลภาวนานี้เป็นความสุขที่ดีกว่า เราไม่ต้องไปเทีย่ยวไม่ต้องไปดูไปฟังไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราพอเรามีความสุขมีแฟนใหม่แล้วเราก็ทิ้งแฟนเก่าได้ทิ้งร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายได้พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เนี่ยท่านมีแฟนใหม่แล้วท่านถึงทิ้งแฟนเก่าท่านเคยมีลูกมีเมียท่านก็ทิ้งหมด ท่านเคยมีความสุขกับลาบยศสรรเสริญกับสิ่งต่างๆท่านก็ทิ้งหมดเพราะท่านรู้ว่าของเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยววันหนึ่งก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ความสุขที่ได้จากการทําบุญการรักษาศีลการภาวนานี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอด นี่ละคือวิถีทางของคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นคนที่ฉลาดท่านสามารถแยกแยะออกได้ว่าอะไรเป็นความสุขที่แท้จริงอะไรเป็นความสุขปลอมความสุขปลอมท่านก็ทิ้งท่านเอาความสุขจริงเพราะความสุขจริงนี้จะอยู่กับใจไปตลอดคือความสงบ ที่เราได้รับจากการทำบุญจากการรักษาศีลจากการภาวนานี่เองนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันมาพัฒนากันมาพัฒนาความสุขใจกันความสุขใจนี่แหละที่แบ่งเป็นระดับต่างๆสุขของระดับเทวดาสุขระดับของพรหมสุขของระดับพระ อริยสงสาวกจะสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงความสุขขั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานนี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าเรากับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนั้นไม่มีความแตกต่างกันท่านมีใจเราก็มีใจท่านมีร่างกายเราก็มีร่างกาย สิ่งที่แตกต่างกันตอนนี้ก็คือท่านมีบุญท่านมีศีลท่านมีภาวนาแต่เรายังมีไม่มากมีก็มีน้อยทำบุญก็นานๆจะทำสักครั้งหนึ่งศีลก็รักษาไม่บริสุทธิ์ตลอดเวลาภาวนาก็ยังทำไม่ได้หรือทำไม่เป็นนั่งสมาธิใจก็ไม่สงบจะมองให้เห็น ความจริงในใจก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าความทุกข์ที่อยู่ในใจนี้เกิดจากความอยากของเราและวิธีที่จะดับความทุกข์นี้ก็ต้องดับด้วยการเห็นความจริงว่าเราไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจึงทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากกับสิ่งต่างๆนี่แหละคือวิธีที่เรา จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเราพัฒนาที่แท้จริงก็คือพัฒนาที่จิตใจของเราพอเราได้เข้าสู่ขั้นที่ไม่เสื่อมแล้วมันจะไม่เสือ่อมพอเราได้ก้าวเข้าสู่ขั้นพระอริยบุคคลพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่เสือ่อมและพระโสดาบันนี้ก็จะมีภพชาติเหรือไม่เกินเจ็บชาติ พอขึ้นขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระโสดาบันอีกแล้วแล้วจะมีพบชาติเหรือเพียงพบชาติเดียวที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอพัฒนาขึ้นไปขั้นที่สาได้เป็นพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์อีกต่อไปและจะไม่เสื่อมไม่เสื่อมลงไปเป็นพระสกิดาคามี หรือพระโสดาบันจะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมโลกที่ไม่เสือ่อมแล้วหลังจากนั้นพอขึ้นถึงขั้นพระอาหารหันต์ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลาดพลาจากของที่เรารักที่เราชอบเช่นพลาดพลาจากบิดามารดา ตูย่าตาญยายพัดพลาดจากสามีภรรยาบททธิดาญาสนิษมิตสหายพัดพลาดจากลาบยศสรรเสริญพัดพลาดจากความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกิน่นรสผลถะชนิดต่างๆสิ่งเหล่า น, นี้จะไม่มีหลังจากที่เราได้พัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปจนถึงขั้นพระนิพพานแล้ว นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญให้ความสนใจอย่าไปหลงกับการพัฒนาลาบยศสรรเสริญพัฒนาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายที่เป็นความสุขเพียงเดี๋ยวเดียวเวลาได้อะไรมาก็ดี อ, อกดีใจเดี๋ยวเดียวหลังจากนั้นก็จากหายไปแล้วก็เกิดความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใหม่ขึ้นมา ได้ไปดูไปฟังอะไรก็มีความสุขเดียวเดียวพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดต้องอยากจะออกไปดูไปฟังใหม่ไปเที่ยวใหม่ไปดื่มไปรับประทานใหม่นี่คือความสุขที่เราจะได้รับจากการพัฒนาราบยศสรรเสริญพัฒนาร่างกายของเราร่างกายของเราพัฒนาไปอย่างไรไม่ช้ามันก็พัฒนาไม่ไหว มันก็ต้องแก่ลงไปต้องเจ็บลงไปแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดดังนั้นเราอย่าไปเสียเวลาให้กับการพัฒนาสิ่งที่ไม่จีรังถาวรสิ่งที่จะนำความทุกข์มาให้กับเราเลยกวนจะมาพัฒนากับจิตใจจะดีกว่าเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ถาวรจะอยู่กับเราตลอดเรากับจิตใจนี้เป็นคู่กันเป็นเหมือนสามีเป็นภรรยากัน ถ้าเราทำจิตใจให้มีความสุขเราก็จะมีความสุขกับจิตใจของเราถ้าเราไม่พัฒนาปล่อยให้จิตใจวุ่นวายทุกขกับสิ่งต่างๆที่เราไปหลงพัฒนาเราก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆตายจากพบนี้ไปก็กลับมาสร้างความทุกข์ใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาพัฒนาราบยศสารเสริญใหม่ แล้วก็กลับมาทุกกับการพัฒนากับการสูญเสียใหม่นี่คือสิ่งที่จะเป็นไปต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ทําตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบตัติพระพุทธเจ้าท่านเป็นตัวอย่างท่านสอนอะไรท่านทำมาแล้วท่านถึงสอนเรา ท่านได้อะไรดีๆท่านจึงกลับมาสอนเรามาบอกเราว่าให้ทําอย่างนี้ให้ทําที่จิตใจให้พัฒนาที่จิตใจแล้วเราจะมีความสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของเราเลยดังนั้นขอให้พวกเราพยายามตัดเรื่องราวต่างๆที่จะเอาเวลาอันมีค่านี้ไปจากการปฏิบัติ ทางจิตใจจากการพัฒนาทางจิตใจเช่นการไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายขอให้เราลดจํานวนลงไปลดปริมาณลงไปดูหนังให้น้อยลงดูทีวีให้น้อยลงออกไปเที่ยวไปเล่นให้น้อยลงแล้วเอาเวลามาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนานั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมจะดีกว่า เพราะว่าเราจะได้พัฒนาอย่างแท้จริงและจะได้รับความสุขที่ถาวรแล้วต่อไปเวลาร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บร่างกายเราตายเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขอยู่ในใจของเราคอยคุ้มไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละเป็นหน้าที่ของเราที่พระพุทธเจ้าสมมอบไว้ให้กับเราชาวพุทธทั้งหลาย ถ้ามีใครเขาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรก็บอกเขาไปว่าสอนให้พัฒนาจิตใจด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเพราะจะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์และได้มีความสุขอย่างแท้จริงไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัาตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพลญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วคลาาปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ